เป็นไงคือหมดแห้งแทะฮะหมดแห้งบออยู่หมดขคื่นเหร อ, <c oughs> อ, อ, อใข่หมดแรงกันแน่วะ <c oughs> ใข่หมดแรงกันแน่ ใหม่มันชุแล้วใหม่มันชุแล้วมันไม่อยู่เท่าเดิมแล้วใหม่ตัวนี้นะฮะมันไม่อยู่เท่าเดิมแล้วมันอยากได้ชัวมั้งฮะใหม่มันอยากได้ชัวรอ่า ใช่ไม่เท่าไหร่ทำไมเสียเร็วแท้เดีนี้อยู่ที่วัดเขาไม่ใช้แล้วเดี๋ยวนี้พอดีเรวัดก็เอาชัวไปให้สตัวชัวตัวน้อยๆนะชัวยี่ห้อดังเช็โก เช้านี้ก็เป็นเช้าที่สามแล้วนะใกล้จะได้กลับบ้านแล้วอย่าเพิ่งกลับก่อนนะเ <c oughs> ช้านี้เป็นเช้าที่สามแล้วเราได้มาอบมารมทุกอย่างทั้งนงั่งภ า, าวนาทั้งเดินจงกรม ทั้งฟังอบรอมั้งถามปัญหาตอบปัญหาทั้งสวดสวดลักษณะมะคตสวดลักษณะสังโยคสวดเม khi, ื่อกี้สวดแบบสังโยคสวดมีสองอยา่างสวดมคตกับสวดสังโย สวดมาวตุสัป บ, บมังกลังรักคันตุสัปปเดวตาสับปุทธานุภาเวนะสดาโสที่ภวันตุเมถ้สวดสังโยกก็ภาวตุสัปผมังคลังรกคันตุสัปปเทวตาสัปพุทธ ทานุภาเวนัสธาโสธิภาวันทูเมว่าไม่มีหยุดไม่มีหยุดแต่ถ้าสวดเป็นมรคเนี่ยมันมีวร์กมีตอนของมันมันเป็นท่อนๆห น, นามันเป็นคําร้อยกรองเป็นคําร้อยกรองเป็นคําแต่งสัมผัสนอกสัมผัสใน ภาวตุสพมังคาลังราขันตุสพปเทวตสาปพธรรมมานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเมภาวะตุสาผังคลังราขันตุสพปเทวตาสประสังคานุพาเว น, สสวนวัสธาโสติสพพ ภะวันตุเมภะวะตุสับบะมังกะลังราคันตุสับบาเดวตาสับบธรรมานุภาเวนัสธาโสทิภาวันตุเมภาษามคตสวดสำนองมคตต้องเปลี่ยนเป็นลักษณะมะคตที่ท่านเรียกว่าสำเนียงมคต ตัวบพบพพานออกเป็นเสียงตัวบสับะสบมังกะลังขอควายกะลังสดาโสทีตัวททหานเป็นตัวดอสดาโสธีสดาโสธีตัว ไขช้อยชิงถอถุงพอพึ่งฝอฝาไปประกอบเสียงยาวท้าที่ทูเทโทขอไขค่าขี่คู่เคโคออกเป็นเสียงไม่โทหมดออกสำเนียงมะขดไปฝึกไว้กันดีเดี๋ยวนี้พวกเราไปที่มะขดกันหมดแล้ว แม้แต่ตัวหนังสือก็ไปทิ้งไงจุดบนจุดล่างไปทิ้งหมดทั้งทั้งที่มันอ่านไม่ยากศึกษาไม่ยากของเก่าเราต้องพยายามส่งเอาไว้พระพุทธศาสนาทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนนะตามที่ได้ยินมาต้องจดจารึกด้วยภาษามคตภาษาบาลีนี่พระพุทธศาสนาจดจารึกเป็นคัมภีร์ใบาลานด้วยภาษาบาลีภาษามคต ภาษาของชาวมาคตเพราะภาษามคตเน่มันเป็นภาษาตายไม่ใช่ภาษาดิ้นได้เหมือนภาษาไทยกินเจี๊ยภาษาไทยกินทานกินทานเปิบแดก แล้วได้จะว่ า, าคือลักษณะเอาเข้าป่ากเหมือนกันเนละภาษาตายภาษามรดกตายตัวสามมรดกตายตัวทานให้อย่างให้อย่างเดียวจาคะก็ให้แต่แปลตรงตรงแปลว่าเสียสละจาคะเสียสละก็คือให้ในั่นแหละภาษามันตายตัว ม่าจะเอามาจดจริึกเป็นภาษามคุคตบาลีภาษาไทยภาษาดิ้นได้คำคำเดียวเนี่ยพยัญชนะไทยจึงวิจิตพิสดารรู้รานในการที่มาเขียนกาบกลอนโครงฉันภาษาไทยทำให้ไพเราะสละสลวยมีมนุษย์ดัดแปลงปลิกแปลงเปลี่ยนแปลง แต่จะเป็นคำไหนก็ตามเนื้อหาของธรรมเนื้อหาของคำมันมีอยู่คำพูดแต่ละคำพูดแต่ละคาพูดมันเป็นคำสมมุติสมมุติขึ้นตั้งขึ้นทินคนไทยคนทีน่ไหนเจี๊ยรับ <c oughs> ประทานภาษาสุภาพมีภาษาไทยไมีแยกไหมเป็นภาษาสุภาพ ภาษาสภาพภาษารายชาสับมาเรียกเอามาพูดอีกภาษาพระชาประสงค์เนี่ภาษาไทยมันสละสลวยเป็นภาษาไพเราะภาษาก็คือภาษาภาษาสมมติอ่าภาษาสมมุติเขาว่าเด็กถ้าเกิดอยู่ในป่าไม่ได้ยินเสียงพ่อเสียงแม่พูดเป็นภาษาคนเนี่ยเขาจะพูดเป็นภาษาสันนะ ระหูเขาได้ยินอย่างนั้นเขาจะได้พูดเขาจะพูดเป็นภาษาสัตว์นะเด็กเนะี่ยที่เขาพูดเรียกพ่อเรียกแม่พูดกินพูดนั่งพูดยืนพูดเดินพูดไหลก็เพราะเขาศึกษาจากพ่อศึกษาจากแม่ภาษาเป็นที่รวมไว้ทึ่งซึ่งอัตถสาระพระธรรมมาวินัยของพระพุทธเจ้าก็ถูกจดจารึกไว้ด้วยภาษา ตั้งสามร้อกว่าปีล่วงไปแล้วนะถึงได้จดจารึกเอาไว้ตอนสมัยตั้งเดิมนั่นเผยแผ่กันด้วยปากปากต่อปากปากต่อปากปากต่อปากแม้แต่ทําปฐมสังขานาครั้งแรกครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็จํากันด้วยปากต่อปากปากต่อปากยังไม่ได้จดจารึกนะครั้งที่สองทำที่วาลุการามก็จบจดจํากันด้วยปากต่อปากปากต่อปากปากต่อปากไม่ได้จดจารึกไว้ ครั้งที่3ทําที่อโศการามวัดอโศการามมีสมัยหนึ่งหมอเคยพาไปอินเดียได้แวะไปวัดอโศการามนันอยู่แถวเขตเมืองปัตตนะีเดี๋ยวนี้วัดอโศการามทําสังขารนาครั้งที่สมไม่จดจารึกเลย อ, อย่างครั้งที่สามครั้งที่4ครั้งที่หําที่ศรีลังกาหรือเปล่าทําสังขารนาแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ปรารภเหตุไม่เหมือนกัน ปรารเหตุแล้วก็ทำปราลบเหตุแล้วก็ทำทำครั้งแรกพระมหากษัปปะเป็นผู้ผ่าทำปรารบเหตุพระศาสดาล่วงไปยังไม่ถึงเจดวันเนี่ยมีคนกล่าวจาบจ้วงศพประมาทคำสอนของพระศาสดาปกติใจของคนเรามันใจมันไม่ละเอียดใจมันยากมันสามารถพูดได้อะไรได้ทั้งหมด น, นึกๆคิดคิดปรุงปุงแล้วก็พูดออกมา นึกปรุงคิดแล้วก็พูดออกมาสุพัท ธ, ธะสุพัท ธ, ธะไม่ใช่สุพัท ธ, ธะปริภาชกนะอันนี้เป็นสาวกองสุดท้ายปชิมสาวกสุพัท ธ, ธะวุธิบันพิชิตเป็นคนที่บวชภายหลังแกเป็นผู้ที่บวชภายแก่สุพัท ธ, ธะคนนี้เลยสมัยหนึ่งพระมหากระสปะ เดินทางจากเมืองปาวามาเมืองกุศินาราเพื่อที่จะมากราบศพพระพุทธเจ้าอพอเดินมายังยังที่จริงภายในจะทราบหรือไม่ทราบก็ไม่รู้แหละเดินมาเห็นคนเดินมาเห็นคนดอกถือดอกมณฑรบดอกมณฑรบนี่เป็นดอกไม้สวรรค์นนะดอกมณฑรบเดินถือมาเอ๊ะแปลกนี เดินถวิดอกมณฑารกมาเลยถามถึงพระาศาสนาก็เลยทราบว่าวพระาศาสดามันล่วงไปแล้วอ่เพิ่งล่วงไปแล้วเกือบจะเจ็ดวันแล้วมันอืนี่พิสุที่เป็นพุทธชนก็ร้องห่มร้องให้พิสุที่เป็นพระอริยะบุคลคลก็ปรงธรรมสังเวชพิสุที่เป็นพุทธชนคนหนึ่งที่มันไม่มีใจผูกพันในพระพุทธเจา้าเท่าไหร่นะักโอ้ยท่านทั้งหลายร้องให้ทําไม สมัยพระองค์อยู่นี่บอกนู่นบอกนี้โอ้เราต้องทำตามยากลำบากนี่นคนคนที่มีมจิตใจหยาบกระด้าษ <c oughs> ทำมาการ s ได้ยินก็สลดใจพระสัทสานล่วงไปยังไม่ถึงเจีวันนั้นคนกล่าจาบช่วงก็เลยหมายอยู่ในใจพอหลังจากพระเจ้าพ้นิพานไปแล้วสามเดือนทำปฐมสังขยนานี่ยทำสังขยนา คว่าคว่าสังคายนาก็คือมารวบรวมคำบอกคำสอนครั้งแรกก็ทำที่ทำสัตตะบรณคูหาครั้งที่สองปรารบพิสุอัจชีกะทำผิดพระวินัยซ้ำซาก เราทำผิดพระวินัยซ้ำซากมีข้อขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องการขบการฉันบางคนก็ว่ า, าบางคนก็ว่าตะวันเที่ยงถือเลยเที่ยงไปแล้วถือว่าเป็นยาววิการบางคนก็มาเถียงว่าโอ้ยเลยไปสองนิ้วสามนิ้วก็ไม่เป็นไร <laughs> ฉันได้ <laughs> ขัดแย้งกัน บางคนก็นเรื่องเกลือเก็บเกลือไว้ปกติเกลือเนี่ยเป็นยาวชีวิตสมเราเก็บใส่กล่องใส่กลักอะไรติดตามย่ามตามอะไรไปเนี่ยเราไปฉันเนี่ยมันมีรสจืดมันไม่มีรสเค็มยอยากจะใช้รสเค็ม เ, เอามาปนกับอาหารไม่ได้ปรับอวัตติยติที่มีพิสูพพวก วัดชีพวกนี้แหละทาได้ในที่สุดเลยปรารบเรื่องนี้มาสัมสังคญญายานาที่วาลุการามวาลุการามวาลุหรลอว่าทรายหาดทรายคราวที่แล้วก็ไ ว, ว้เาด้วยกันคราวที่แวะที่อโศการามหรือแวะไปที่วาลุการามเหมือนกันไปดูไม่เห็นมีอะไรเห็นมีเห็นมีกระต๊อบพราหมณ์อยู่มีคนเฝ้าอยู่คนสองคนมัน้งมีแต่รูปพระพรหมรูปพระอะไรนี่มีแค่นั้นแหละ สัญลักษณ์ที่ทําสังขายนาครั้งที่สองครั้งที่3ที่อโศการามอาโศการามนี้ปรารบนัก บ, บวชดีรชีปลอมบวชปิถามหินในศาสนาพุทธปุจจาโศกเป็นผู้จัดการสังขารนาครั้งที่สามมันต้มีการจดจ่อหรือไม่ยังยังไม่มีการจดจ่รือเปล่ หลังจากสังายนาแล้วมีการส่งสมณทูตไปประกาศพระาศาสนาทั่วโลกนะ9สายก้าสายเพราะฉะนั้นช่วงนั้นพระมหินทโกมา น, นางสังฆมิตาพิสุณีซึ่งเป็นโอรสธิดาของพญาศกนะมาประกาศมาเผยแพร่อยู่ที่สีลังกาบางทีก็ว่ามาที่สวนอภูมิคือเมืองไทยก็มีอะไรก็มีเหมือนอย่างที่เราได้ยินตำนานเต็มไปหมดนะ่ <c oughs> ต้นต่อตํานานครั้งที่สี่ครั้งที่ห้ามาถึงมีการเดจารึกที่พมา่าปที่ที่สีลังกาสีลังกาก็ารับพระศาสนามาจากอินเดียเพราะสีลังกาอยู่ทางตอนใต้ของอินเดียนะมันเป็นเขตติดต่อกันอมเมืองไทยเราก็ไปรับพระพุทธศาสนามาจากสีลังกาพระพุทธศาสนาบัติที่อินเดียพระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดีย เป็ชาวมงโกลผิวเหลืองเป็นคนงามเป็นคนรูปงามเผ่านี่เป็นเผารูปงามพระพุทธเจ้าไปบำบัดนะในชมพูทวีปนี่ก็พูดปราปลายไปยังมีปัญหาหลงเหลืออยู่ค้างอยู่มาอ่าจอ่อต่อให้หมดจะหมดเวลาแล้ว <c oughs> มาแล้วเสี <c oughs> ยาดายหมดเวลาแล้ววันเนี้ยหมดเวลาแล้ว อาเสียด้แล้วได้ประกอบกิจกรรมทุกวันทุกวันทุกวันถือว่าเป็นการอบรมกายยะกรรมเป็นการอบรมไ่วจีกรรมและเป็นการอบรมมโนกรรมถือว่าเป็นอนุสรณ์ชีวิตให้กับพวกเราทุกท่านทุกคนที่ตั้งออกตั้งใจมาฝึกฝนอบรมมีโอกาสที่จะได้นั่งภาวนาต่อสู้กับความเจ็บปวดของตัวเองความดิ้นรนเสื่อกระสนของใจของตัวเอง เรามีโอกาสได้มาฝึกฝนอบรมอยู่ภายใต้กรอบใต้ระเบียบถ้าเราไม่มีกรอบไม่มีระเบียบก็คงไม่ต่างอะไรกับปูอะฉาปูใสกระดองออกซ้ายก็ได้ออกขวาก็ได้ออกข้างหน้าข้างหลังออกได้หมดฉาปูใสกระดองแต่โดยที่เรามีกรอบมันก็เป็นเชือกมาร้อยให้เป็นแนวเป็นแถวดูเป็นระเบียบสวยงามน่าดูได้ประโยชน์ในการที่จะฝึกฝนอบรม อ้าวเริ่มเลยเลย ศึกษาเรียนรู้ถ้าเรามีเวลาเราก็ศึกษาได้ทั่วๆไปแต่ต้องเลงว่าอันไหนคือคือจุดที่เราจะจับและเราจะเดินเพื่อเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเพราะงัครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยตก่อนบางองค์ก็ไม่รู้ตั ว, ตวน้องสือท่านได้พุโทโธคำเดียวยทำไปตั้งใจภาวนาจิตสงบสงบขึ้นมาแล้วแต่ชานอ่านหนะังสือหอได้เลยไปอ่านดูประวัติอปูคําพองน่ สวดปฏิโมกได้อ่านหนังสือออกได้เมื่อก่อนอ่านไม่ออกมจิตสงบเท่านั้นอ่ะมันหัดนึกหัดคิดหัดประกอบอ่านหัดนน้นนั้นมันฟื้นความจําขึ้นมาความจําในใจของเรามันน่าจะมีแต่ถ้าเราไม่มีเวลาเราก็ศึกษาจํากัดศึกษาจำเพาะศึกษาปริยัตเมื่ออย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยคุรบุตรบวชเข้ามา อ, อยากศึกษา สมถะหรื อ, ศ, อ, อศึกษาคันถาธุระหรือจะศึกษาวิปัสนาธุระบางคนก็บอกแก่แล้วศึกษาคันถาธุระไม่ไหวหรอกศึกษาคันถารธุระคือศึกษาภาคทฤษฎีศาาึกษาภาคปริยัตศึกษาวิปัสนาธุระก็มาภาวนาศึกษาเรื่องจิตวิธีของจิตโดยเฉพาะโดยตรงคุยเจาะทันสอนยังไงตั้งใจฝึกฝนอารมณ์ยังไง พระสูตรทุกๆพระสูตรเรามีเวลาเราก็ศึกษาเอาไว้แต่พระสูตรที่สําคัญที่สุดที่สุดเกียนอย่างมหาสติปัฏฐานสูตรธรรมะจักกับปวัตนาสูตรเนี่ยอธิตะปริยัยาสูตรเนี่ยที่เราสวดเมื่อคืนอนัตตะลัคนาสูตรเนี่ยสูตรใหญ่ๆสูตรสำคัญสําคัญเราศึกษาให้รู้เนื้อหาธรรมะในพระสูตรนั้นๆแล้วถ้าต้องจําได้โดยยิ่งดี มีหลายคนท่องจาเราไปบางแห่งสวดธรรมจักรโอ้ยโยมสวดได้เป็นแถวเลยรับตาสวดนี่ยสวดธรรมจักรเนะี่ยยิ่งแถวบรรตาดแถวโน่นนะ่ะทางอุดรเราเนะี่ยมหาสมัยนิยมสวดมหาสมัยมหาสมัยมันท่องไม่ง่ายนะท่องยากนะโอ้ยสวดว่ากันได้ปากเปล่าเนะี่ยคนที่มีเวลาพอมีความเรื่อมสายพอสามารถสง่ง พระพุทธวจนะคือคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เกิดประโยชน์แต่ถ้าจะเอาเรื่องภาวนาอย่างเดียวก็ไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากพุทโธพุทโธพุทโธไม่ต้องทรงใจออกไปไหนอยู่กับพุทโธอย่างเดียวเนี่ยนิสัยกว่าพ้นทุกข์พ้นโทษได้เร็วกว่าได้ง่ายกว่าไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปปวดสมองไม่ต้องไปเสียเวลาเปลืองเวลากับอย่างอื่นมากกว่าเป็นการทรวบรัดเวลา เพราชีวิตของเราของท่านของใครเหมือนกันหมดน่ะชีวิตนี้น้อยนะักชีวิตนี้น้อยมันไม่ต่างอะไรกับ <c oughs> น้าค้างที่มันค้างอยู่ที่ยอดปลายหญ้าพอแต่แสงอาทิตย์สตร์ส่องมาแล้เหือดแห้งไปร่างกายของเราของท่านจะเหมือนกันหมดเลยหายใจเข้าตายหายใจออกตายยืนก็ตายได้นั่งก็ตายได้นอนก็ตายได้ตายวันตายพรุ่งอ่า พบหน้ากับวันพรุ่งนี้ไม่รู้อะไรจะมาถึงก่อนะดีไมด่ดีถึงพบพบหน้าก่อนก็คือมันตายก่อนที่จะสว่างอบางทียังไม่ตายถึงจะได้เจอวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจึงไม่แน่นอนความตายความเจ็บความตายไม่แน่นอนแต่ความแก่ชักค่อนข้างแน่นอนระับใดที่ยังไม่ตายเราก็นับไป สี่สิปีห้าสิปี60สิปีเพิ่มขึ้นไปแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีะปะปนับได้นี่นับได้ยาวเท่าไหร่ก็คืออายุมากเท่านั้นมันแน่นอนแน่นอนตามที่ชีวิตอยู่ได้นับอายุเท่านั้นอายุเท่านั้นอายุเท่านั้นแต่ความตายหัวใจหยุดเต้นลมหยุดเดินหัวใจหยุดเต้ น, นก็ตาย วันตายพรุ่งไม่มีสัญลักษ์บอกเราท่านจึงไม่ประมาทไม่มีนอนใจจะศึกษาประสูดจะทำพระวินัยศึกษาอะไรหลักในปรัยประดุกศึกษาไปเยอะแต่ถ้าหากเห็นว่ามีเวลาน้อยไม่อยากเสียเวลาอะไรมากภาวนาเอาเอาใจสงบพิจารณามีความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องกายเกี่ยวกับเรื่องใจก็เหมือนอย่างที่พวกเราเข้ามาอบรมนี้ก็ถีว่าเป็นหลักเป็นเกณฑ์ ที่เราควรฝึกฝนอบรมทงความรู้จักทงความคุ้นเคยเอาไวา้หัวใจที่เป็นศีลเป็นธรรมนี้เป็นหัวใจที่อบอุ่นตายไปแล้วไปด้วยกันนะคับการรักษาหพ่อที่ดีแน่วิบาก พ่อผู้เป็นแม่พอลูกเริ่มโตขึ้นผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ก็เริ่มเป็นเด็กขึ้นเพราะฉะนั้นลูกจะต้องให้อภิสิทธิ์พ่อแม่ทุกอย่างให้อภิสิทธิ์เต็มร้อยเรามาคิดดูสมัยเราอยู่ในท้องแม่อุ้มท้องเราคลอดออกมาเลี้ยงดูกว่าจะได้แต่ละปีแต่ละปีกว่าจะลืมตากว่าจะเดินกว่าจะนั่งได้กว่าจะเดิ น, นไ ด, เ ด, นได้เรามาดูสิพ่อแม่ให้อภิสิทธิ์เราเท่าไหร่ หรี้ยังดูยังดิบอย่างดีประคับประคองไม่ให้ร้อนไม่ให้หนาวไม่ให้อดไม่ให้ยากไม่ให้เรือบยุงไต่ตอมให้อภิสิทธิ์หมดทุกอย่างแต่พอพอ่อแม่แก่ลงเราต้องให้ทันถ้าเราไม่ให้เนี่ยขาดความชอบธรรมขาดความกตันญูรู้บุญรู้คุณยอมหมดสาภาพหมดอยาไปเอาเหตุผลไปหักล้างมีมียอมรับดอกคนแก่ไม่ยอมรับดอก พอใจไม่พอใจพูดไปพูดไปพูดไปพูดไปยกเว้นแต่สงสัยข้อนั้นข้อนี้ถามเราแล้วก็บอกไปไม่ใช่อยากชนะด้วยเหตุด้วยผลเราก็ไปแก่นูน่นแก่ น, นกู่นแก่นู่นให้พระเชายอมรับไม่มียอมรับรับรองร้อปร์็์ไม่มียอมรั บ, ร บ, รบเพราะพ่อแม่ถืออภิสิทธิ์เราก็เป็นพ่อเราก็เป็นแม่บางครั้งก็เลอะเลือนกินว่าไม่ได้กินนอนว่าไม่ได้นอนทําว่าไม่ได้ทา สารภาพที่จะเป็นมันเลอะเลือนไปหมดล่ะเพราะสังขารร่างกายมันเริ่มร่วงโรยไปมันหมดสภาพของมันมันไกลสภาพเป็นเด็กพอลูกโตขึ้นพ่อแม่กลายเป็นเด็กลงสมัยแต่ก่อนนั้นอ่ะพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่เลี้ยงเลี้ยงพวกเราเราเป็นเด็กพ่อแม่ให้อภิสิทธิ์เราร้อยเปอร์เซ็นคงจะเข้าใจเรื่องอภิสิทธิ์นะ ให้สิทธิท่านหมดทุกอย่างจะพูดจะดุจะว่าจะว่าจะด่าจะนู้นจะนี้จะใช้จะสอยจ ะ, ะยอมยอมข้างในนะไม่ใช่ยอมแต่ทาตามเฉยๆนะขอเข้ามาเหมือนกันนะ่ะขอขอเข้ามาแต่ปาแต่ใจมันไม่ยอมมันไม่ตกนะมันไม่ตกขอเข้ามาเฉยๆไม่ตกขอสกี้ครั้งมันก็ไม่ตกบาปกรรมมันไม่ใช่ของใครนะของเรานะ่ะโอยิ่งไปกระทบกระแทกทําเพื่อตอบโต้พ่อด้วยแม่ด้วย เป็นบาเป็นกรรมนายิ่งเป็นเหตุให้ท่านต้องน้ำตาหลาน้ำตาร่วงเลยแล้วมาคิดลองดูสิคุ้มค่ากันไหมทั้งๆ ท, ที่เราไ ด, ได้รับส่วนแบ่งจากพ่อจากแม่เนี่ยพ่อแม่เป็นคนให้ทานชิ้นแรกของเราคือโครงสร้างร่างกายของเราเนี่ยได้มาอย่างไนเราไม่ได้เอาเลือดสกจดไปเกิดเลยในท้องแม่นะเป็นของทานทั้งหมดนาะเป็นสมบัติของพ่อของแม่ทั้งหมดนะพ่อเขามีสิทธิ์มาเจริญพันธ์ แค่เอาธาตุ ด, ดินน้ำลมไฟไปประกอบในท้องแม่แม่อุ้มท้องมาเจเดือนแปดเดือน9เดือนว่าจะคลอดออกมามาคิดดูที่ใครเคยอุ้มท้องจะรู้เองทุกอยางลาบากขนาดไหนธนุถนมลูกในท้องขนาดไหนนี่คือคุณของพ่อคุณของแม่เราจะเอาอะไรไปหักล้างถึงแม่เราจะทําตัวเป็นคนดีตามปกตามใจพ่อแม่หมดทุกอย่างเลี้ยงดูแม่ให้ท่านทุกอยางลาบากเลยโบราณท่านยึงเปรียบ เอาพ่อมาแบรกขวาแม่มาแบกซ้ายท่านจะกินจะทายจะขับจะหลับจะนอนจะอะไรอยู่บนนี้แหะตั้งแต่เป็นๆอยู่เนี่ยจนเราตายจากท่านท่านตายจากเราเลี้ยงให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขดิบดีถึงขนาดนี้ยังสนองบุญคุณไม่หมดเดี๋ยวว่าจะไปทํากิริยาที่ไม่งามให้กับท่านเนเป็นการเพิ่มเบีย น, นเพิ่มกรรมให้กับท่านมันถึงขนาดนั้นพ่อแม่มีบุญมีคุณคงจะรู้จักคำว่าบุญคําว่าคุณ เขาวบุญคุณคือสิ่งที่เราได้สิ่งนู้นสิ่งนี้จากท่านนั่นแหละคือบุญคือคุณที่เราได้จากท่านท่านไม่ได้เรียกร้องเอาบุญเอาคุณแต่เราเระลึกรู้เองเป็นกะกันญูรู้บุญรู้คุณแล้วต้องตอบแทนคุณที่เรียกว่ากะตะเวทีพ่อแม่ท่านตั้งอยู่ในบุพการีชนเป็นผู้ทําอุปการะก่อนกับเราเลือดเนื้อทั้งหมดนะ่ะ โครงสร้างทั้งหมดเป็นของท่านท่านให้เรามาเราหอบหิ้วกรรมกับจิตไปจับไปจองเท่านั้นเองแต่ลูกกับพ่อกับแม่บางคนก็เกิดมาเกิดด้วยกันด้วยบุญด้วยกรรมบางคนก็มาเกิดด้วยกันด้วยบาด้วยกรรมเพื่อที่จะสมาสนองเวรสนองกรรมกันอเราก็ต้องระวังนะเราอย่ายให้เป็นประเภทนั้นเพราะฉะนั้นลูกท่านจึงจัดไว้ อ, า, อาวักชาต์กบุตรบุตรเลวกว่พ่อเลวกว่าแม่ อนุชาตกรบุตรบุตรที่พ่อแม่บอกได้สอนได้ทําตามพ่อทําตามแม่ได้อภิชาติตบุตรเกิดมาเพื่อฉุดเพื่อยกเพื่อพยุงเพื่อเชิดชูบูชาบุญคุณของพ่อของแม่อภิชาติตบุตรเท่านั้นแหละที่จะสามารถที่จะสามารถสนองบุญคุณของพ่อของแม่ได้หมดเนี่ยเจ้าของเนี่ยได้ยินหลงตาทั้งพูดเต็มปากโอ้เราเนี่ย ยมันดาของเราเนี่ยไม่มีอะไรตกค้างเหลืออยู่แล้วแหล ะ, ะบุญคุณที่เราเคยพึ่งพระอาศัยท่านอะ่ะคือท่านสนองบุญสนองคุณได้หมดคือสนองด้วยธรรมผู้เป็นลูกหญิงผู้เป็นลูกชายที่มีสินมีธรรมมาฝึกฝนอบรมได้เอาศินธรรมนี้แหละไปแนะไปนำไปบอกไปสอนพ่อแม่ต้องหมายความว่าพ่อแม่ท่านเบาบางอ่อนต่อการเรียนรู้ธรรม ฝึกฝน อ, อบรมทะลูกเรียนรู้ฝึกฝนอบรมนาแล้วไปบอกไปสอนแม่พ่อแม่ไม่เคยมีความเลื่อมใสศรัทธาให้ทานจนพ่อแม่เลื่อมใสศรัทธาให้ทานไม่เคยตั้งใจรักษาศีลก็โอ้ยตามลูกมาตั้งใจรักษาศีลไม่เคยภาวนาลูกพาไปหาที่ภาวนาทั้งสมถะทั้งวิปัสนาจนแม่จนพ่อเลื่อมใสศรัทธาไปด้วยตัวของตัวเองได้เนี่ย สนองบุญคุณของพ่อของแม่ได้พ่อแม่ได้อริยธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งเ่ยเหมือนอย่างที่หลวงตาท่านพูดไปดแล้วเนี่ยถือว่าสนองบุญสนองคุณได้หมดถ้าสนองไม่หมดเป็นหนี้เป็นลูกหนี้เราเป็นหนี้ท่านท่านเป็นหนี้เราอยู่อย่างนี้แหละไม่จบไม่สิ้นโลกนี้คือโลกเวรโลกภัยที่จะสนองเวรสนองภัยเกี่กันและกันสนองบุญสนองคุณเกี่ยวกันและกันเพราะมันมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันนะระวังให้ดีนะ พูดเป็นกติตัวอย่างกับทุกคนเน่ยเพราะจุดนี้มันเป็นจุดใหญ่เป็นประเด็นใหญ่ทุกคนไม่มีใครเกิดในโพรงไม้เกิดจากพ่อจากแม่อาศัยความเมตตากรุณามุญธรรมเบกขาของพ่อของแม่มาด้วยกันทุกท่านทุกคนจึงขอย้ําอย่าทําให้พ่อให้แม่ต้องน้ําตาตกโอ้โหบาปกรรมหนักหนาสาหัสเพียงแต่เราเลี้ยงดูท่านในท่านอยู่เย็นเป็นสุขแค่นี้แหละบุญมหาศาลเขาบอกว่าอานิสงส์กินไม่หมด ในสองจากการเลี้ยงดูพ่อแม่ดีบดีลูกศิษย์อยู่ในกรุงเทพหลายคนที่ทําหน้าที่แบบนี้เนี่ยเราพูดให้กําลังใจเขาเราก็พูดให้กําลังใจเขาเขาก็ตั้งอกตั้งใจดูแลดีดีโอยโอโ อ, อนโมศนาด้วยเรืนะ่องพิธยินดีด้วยดูแลอุปธรมวัฒ์บำรุงพ่อแม่ได้ดีตั้งใจทําอย่างเดียวนี่ถึงที่สุดโอ้อันนี้สองบุญบารมีกินไม่หมดอ่า แล้วมันก็เลยเวลาหกโมงไปเท่าไหร่แล้วจะไปยุติตรงไหนอืมเดี๋ยวผมให้ตายรอบรอบกล้า้อ่อนนอานะอ่าตอนนี้เอาแค่นี้เนาะอ่าอันนี้เอาแค่นี้แน่แน่ใช่ไมเดีย๋ยวว่าเวลามันเยอะนะเวลามันน้อยนิดเดียวเองเวลามันน้อยนิดเดียวเรื่องของพ่อของแม่เนี่ยสมมุติตอนนี้พ่อแม่ไม่มีแล้ว ท่านล่วงไปแล้วหมดแล้วถ้าพ่อก็ล่วงไปแม่ก็ล่วงไปแล้วพ่อแม่อีกส่วนหนึ่งยังอยู่คือตัวเราเนี่ยเนี่ยตัวเราคือพ่อคือแม่ดูแลรักษาตัวเราให้ดีบางคนเอาตัวเองไปทำเรื่อ ย, ยช่วแชร์สกปรกส้อมมมสรารพัดทาช่วยชาลามกเอาตัวเองมาให้ทานมารักษาศีลมาพระพุทธธรรมมาปฏิบัติธรรมปฏิธรรมประักพ่อแม่ตัวนี้นี่พ่อแม่คือตัวเราเนี่ยได้มาจากไหนนี่คือพ่อคือแม่ พอ่อแม่จริงๆเหมือต้นไผ่ต้นไผ่ตายไปแล้วเหลือขแขนงไผ่นอไผ่นอมาจากไหนมาจากต้นถ้าไม่มีต้นนอที่ไหนไมันจะมา <c oughs> รักษานอแหนงตัวนี้ให้ดีใครรักษาได้ดีรักษาเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ดำรงวงตระกูลของพ่อของแม่ให้ดีเราก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนนี่ศีลธรรมสอนเราให้เป็นคนดี อยู่ชุ่มอยู่เย็นด้วยด้วยบุญด้วยกุศลใน ห, หัวใจของเราเออวันนี้ตอนนี้พอสมควรเก็เวลาเพียงเท่านี้เพราะมันเลยเวลาไปโะยอะแล้ว เดี๋ยวจะขึ้นมาอีกตอนไหนอะไรยังไงก็บอกกันเด้อ